ต้นดาวยชนพุทธบริษัททั้งหลายเสียงดนตรีเพงลงราตรีประดับดาวซึ่งเป็นพระราชินีคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช ก, กาลที่เจ็ดได้ผ่านไปแล้วเวลานี้ก็เป็นเวลาเด็กสงัดจะมองไปทั้งไหนก็เงียบสงัดไปหมดคนทุกคนก็นอนหลับกัน บางทีไม่หลักเขาก็จะเริญเพื่อกรรมฐ า, านกันบ้างภาวนากันบ้างไปตามอัจฉริยะใแต่อาจามาเองก็เป็นคนมีกรรมเวลลาหัวค่ำไปไม่ทันเขาเจอเพื่อกรรมฐ า, านเพราะเพียหนักเวลาตอนเด็กกับมีกําลังก็เลยมานั่งพูดธรรมดาท่านพุทธบริษัทฟัง ตอนนี้ก็จะขอเดินลักตัดความบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราภาพนี้เป็นภาพมรณะภาพของหลวงพ่อปานด้านจริยาวัดนั้นจะไว้พูดกันตอนหลังถ้ามีโอกาสวันไหนก็จะพูดวันนั้นการพูดนี่ไม่มีการพูดติดต่อกันทั้งนี้ก็พบว่าเวลากิจกางานมันมาก งานเป็นส่วนตัวหายากบรรดาท่านพุทธบริษัทมีแต่ ง, งานส่วนรวมทั้ น, นี้พ่อไรพ่อตะมาทราบดีเพราวันเวลาของอาตามา น, นี้เหลือน้อยหลือเกินโ<ม>ดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดเหตุร้ายต่างๆมันรุมเข้ามาทุกด้าน จะมองดูทางร่างกายมันก็ทุดโทรมเต็มทีนี้งานที่ปฏิบัตินี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคถึงแม้ว่าจะตั้งใจดีเป็นส่วนกุศลอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายรับฟังแล้วก็จําไ้ด้วยช่วยเก็บไว้ในใจหรือว่าในสมองเมื่อการทําความดีนี้เรามุ่งความดีเท่านั้น แล้วอุปสรรคใดๆที่จะเกิดทางกายและทางใจจงอย่าคำานึง่งจงคิดไว้แต่เพีย ง, อ ย, งอย่างเดียวว่าร่างกายที่ประกอบไปได้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีความหมายสำหรับเราไม่ช้าไม่ก็ตายแต่ก่อนหน้าที่จะตายเราเก็บเอาความดีไปดีกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เนื่องความเลวในี่ใครเขาจะมายัดเยียดให้เราเพราะช่างเขาเราไม่รับซะก็หมดเรื่องถ้าเรามีเรื่อความรู้สึกว่าเราทำถูกก็ทามันเรื่อยไปถ้าเราไปคำหนึ่งถึงว่าคนนั้นดีคนนี้เลวเราก็ทำความดีกันไม่ได้ต่อต้นนี้ไปก็จะขอคุยกันถึงเรื่องของหลวงพ่อปานบัตบานองโค ซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์สุดที่รักและเคารพของอาตมาอาตมามีเรื่องราวต่างๆมาคุยกับรรดาเป็นพุทธบริษัท ฟ, ฟังเป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างดีบ้างเลวบ้างก็เพราะสายเทตมาได้ศึกษา ม, มากับหลวงพว่านในด้านความดีแต่ส่วนในด้านความเลวนี้เป็นเรื่อ ง, อ, งอาตมาแต่คนเดียว เพราะว่าไล่เลวมันไม่หมดถ้าเป็นทองก็เรียกว่าไล่ขี้ไม่หมดท <c oughs> ี่มันยังเต็มตัวอยู่ก็ตามใจมัรจดาท่านพุทธบริษัทการสร้างวัดวารามที่ไหนก็ตามถูกด่าทุกวัดและบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังใครเขาด่ า, ดาตา ม, มาเพราะบรรดาญาติโยมทั้งหลายโดยทุนหน้าก็อย่าไปโกรธเขา เพื่อคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีสิทธิ์ที่จะด่าใครก็ด่าได้และเ ร, เ, เราเกิดมาเราก็เกิดเพื่อชาวบ้านเขาด่าเราทำถูกแต่ว่าเขาเข้าใจผิดเราก็กลายเป็นคนผิดได้เหมือนกันใน <c oughs> ความจริงเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทสัจธรรมรย่อมจะช่วยเรา เราสร้างความดีวิมานสวรรค์คอยเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมันหนักใจอะไรกับทำดา้าถ้าเราไม่รับมันก็อยู่กับเขาเองมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรายัดเยียดไปให้ความเดือดร้อนใดๆจะมีอะไรสำหรับเราถ้าเราไม่รับ ดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูกถูกชาวบ้านเขาด่าทุกเมืองพระองค์ก็ยังทนได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าคำด่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์พระองค์ก็จึงไม่รับเมื่อพระองค์ไม่รับบุคคลที่ได้รับก็คือคนผู้ดา่าตัวอย่างท่านสัญชัยบริพาชก ดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตนขันลาบสการะเค <c oughs> ยมีลาบสการะมหาศาลแต่เมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตามารสูงอุบายขึ้นแล้วองค์สมเด็จพระประทีกแก้วสอนสัจะธรรมคือความจรงิงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็พากันเคารพนับถือมากท่านสัญชัยปรีภาชกเลขาลาบสการะ แกว่างๆขึ้นมาก็เลยนั่งดา่าพระพุทธเจ้าเล่งโกโก้ในที่สุดองค์สมเด็จพระบร ม, มครูก็ทรงไปแล้วครับถามว่าเธอด่าฉันนะถ้าฉันไม่รับมันจะอยู่กับใครเหมือนกับพระเจนะทั้งหลายน้ำใช้น้ำฉั น, นอันะที่เธอมารับอัตมาอัตมาไม่รับเวลาอาตมากลับแล้วของนี่จะอยู่กับใคร ท่านสันชัยปริภาโช ก, ก็บอกว่าก็อยู่กับข้าพระพุทธเจ้าองค์สําเร็จพระผู้มีพระพาตเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสันชัยคํำสาปแช่งของเธอฉันก็ไม่ได้รับเหมือนกันเมื่อฉันไม่รับแล้วก็มันจะอยู่กับใครท่านสันชัยก็เลยบอกว่าก็อยู่กับข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะในทงตัดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เธอจะด่าไปทำไมล่ะเท่านี้เององค์สมเด็จพระผู้มีพระพระาเจ้า ก, กว่าลากลับท่านสัญชัยปรีภาชก็เลยเลิกด่าแต่เราเร า, เราพุทธบริษัทเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราจะไปพูดในใครเขาเลิกด่านั่นพูดไม่ได้ แป็นอนันว่าถือว่าใครเขาอยากยะด่าก็ด่าไปเราสร้างความดีของเราเท่านั้นเป็นพอนี่เป็นเรื่องธรรมดาตามพระบาลีก็มีอยู่ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเก อ, อนินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกคนเลวย่อมมองไม่เห็นความเลวของตัวเองคิดว่าตัวดีอยู่เสมอ <c oughs> นี่เป็นกฎธรรมดา หนึกแม่แต่หลวงพ่อปอก็เหมือนกันที่าจะมาอยู่กับท่านโดยเฉพาะอย่างยิงย่งอยู่ในระยะปลายนี่ถ้านได้สร้างความดีให้แก่ใครที่ไหนที่ไหนก็โทด่าหนักมาเหมือนกันถ้ามาถอนท่านว่าแทงโกรธหมายแทงกลับหวเระท่านบอกว่าฉันไม่ได้รับนี่เมื่อฉันไม่ได้รับเ้าด่าเพราะจะด่าให้ใครก็ช่างเขาก็อะไร ถา้าด่าตรงมาที่ฉันฉันไม่รับมันก็กลับไปหาเขาเองท่านพูดแล้วท่านกห็หัเราะชอบใจแล้วก็เลยสอนต่อไปว่าจงจําไว้ว่า ค, าดาคำด่าคําด่าคํานินทาและคํารรเสริญไม่มีประโยชน์เราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่เราทําเท่านั้นถ้าเราทําดีแล้วใครเขาจะนินทาว่าชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขา ในปติบทาส่วนใหญ่ของท่านมีอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านทําใจประเภทนี้ได้ดีจริงๆนี่กะคุยชีวิตเริ่อปลายให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงฟังม่งก็เด็กสงัดแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอนุบารดุพ่อปานก่อนหน้ายุละหกสิบสี่ปีเห็นแยกเป็นอายุ 62, 63, 64, หกสิบสองหกสิบสามหสิบสี่นากลัว หกสิบสองและหกสิบเอ็ดอาตมาจะไม่ได้คราวนั้นท่านป่วยใหญ่อีกหนึ่งครั้งป่วยมากอาการปางตายลูกศิษย์ลูกหามีหลวงประทานท่งไปใจหลวงพินิษ์มาตรายนายประยงตั้งตรงจิตพยาประเสริฐพยาสรยุทธเสนีเกษณีนับพร ะ, ะพอะไรจะพระอะไรอีกเยอะแยะ จำหน้าไม่ได้โกสิ์ผู้ใหญ่ท่านมากเหลือเกินรับท่านมาที่บ้านมอบบ้านหลวงประธานผองมีใจเห็นว่าเป็นบ้านที่สบายรับรับไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีเสียงรถรบกวนมาพักการรักษาตัวอยู่ที่นั่นอาการป่วยคราวนี้นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นที่น่าตกใจมาก แต่ถ้าว่าสาวว่าพุะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวยังไม่ถึงเวลาตักใสฉะนั้นการรักษาให้เขาลูกศิษย์ทุกหาทั้งหลายหมอตั้งเยอะแยะรักษากันไปรักษากันมาในที่สุดท่านก็หายหายจากโรคมหายแล้วท่างก็กลับไปที่วัด <c oughs> เวลาเวลายามสงดท่านก็เรียกบรรดาคณะลูกศิษย์ที่นิยมในการเจริญพระกรรมฐ า, านอย่างนี้ขอบรรดาพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าคิดว่าท่านอาคติลำเอียงรักเฉพาะคนที่เจริญพระกรรมฐ า, านนั้นไม่จริงท่านรักสม่ำเสมอกันเราจะเห็นได้จากเวลาแจกของหรือให้หรางวัล ท่านไม่ได้เรียกที่รักมากที่ชังให้สม่ำเสมอกันหมดเรื่องราบเสการะที่จะเพิ่งเกิดมีในวัดโดยกิตติมนุมบันดาท่านพุทธบริษัทท่านแจกสม่ำเสมอกันและว่าท่านเรียกไว้เฉพาะนักเจริญพระกรรมฐานที่มีความมั่นใจว่าเอาจริง ก็เพราะว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีความเข้ามีจิตเข้าถึงพระธรรมแล้วทราบใจความพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพีตรแก้วท่านจิงกาซิกบอกว่าลูกรักทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกสามปีพ่อก็ตายแน่พ่ออยู่ไม่ได้แล้ว ต่อไม่ได้ถ้าถึงแม้ว่าจะต่อชีวิตให้ทรงต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของโลกแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าร่างกายของพ่อนี่ทุดโทมมากอีกสามปีมันก็จะเดินไม่ไหวการอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์พ่ออยู่เพื่อทําประโยชน์เท่านั้นคือว่เป็นการสงเคราะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล การสร้างวัดวารามต่างๆปีละสามแห่งสี่แห่งนี่พ่อไม่ได้ทำเพื่อตนนั้นลูกก็ททำเพื่อบริชาชนผู้มีความดีเพาการสร้างวิหารทรนนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างเลที่สุดที่บุคคลในหลายบาเป็นมาด้วยดีมีศรัทธาแท้สละจะตูปัจจัยอย่างเลวเขาก็จะไปนั่ง แสวงหาความสุขได้ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวันโลกซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสำคัญเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ท่านก็ยกตัวอย่างมาเข้ามานพบ้างท่านนันทิยะมาพบ้างอย่างนี้เป็นต้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมครูมีชีวิตอยู่ ท่นนันทิยะมานพสร้างเส้นลาสีหน้าสวายพระพุทธเจ้าก็เป็นเส้นลาพักนั่งเล่นยังไม่ทันจะตายพระโมกคัขลัก็ไปพบอีมานบนสวรรค์บรรดา น, นางฟ้าทึ่งเป็นบริสัยของท่านกำลังคอยอยู่จึงสั่งสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้ท่านนั้นให้ท่านบอกให้นันทิยะมานพรีบๆตายไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่า <c oughs> นี่หลวงพ่ปานท่านพูดตรงกับบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสนี่การกระทำอย่างนั้นท่านบอกว่าท่านปโปรดพุทธบริษัทเขาจะได้ได้บุญกันหลายหลายคนถ้าสร้างแห่งเดียวคนที่อยู่ไกลก็ไม่สามารถจะทำบุญได้นี่ลวบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายน้ำใจคลวงพ่ปานเป็นอย่างนี้ จยจะเปรียบเทียบเป็นน้ำก็ต้องเป็นน้ำในพระมหาสมุทรคือเป็นกระแสะน้ำใหญ่ที่คนทั้นไหลตักกินได้แบบสบายไม่เฉพาะคนที่อยู่ใกล้เมื่อท่านบอกแล้วท่านก็นไปพูดกับหลวงพ่อวัดบรรพแงคือท่านพระครูรัตนาคิลมพระโค้กหูของท่านบอกว่านับจากนี้ไปสามปีท่านจะตาย และในระยะหลังนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านเปิดใหญ่วิชาความรู้ใดๆที่ไม่เคยให้ใครเรียนมาก่อนท่านก็เปิดหมดเรื่องการสอนการเจริญสมถวิปัสนาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาท่านเน้นหนักไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างมาก ถ้าระยะ ด, ดูนแนวกันแล้วก็เหมือนกับสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระคููมีพระพ่ายเจ้ามีพระชนอยู่ในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูรับอาราธนาจากมารที่ปาวาและเจดีพระองค์ยึ่งในตรงอายุสังขารตั้งใจไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามอีกสามเดือนคือกลางเดือนหก เราจะนิพพานในระหว่างนางรังทั้งคู่แห่งเมืองกุศินาราและหลังจากนั้นมาตามประวัติองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโศกห้กระสอนเยพาะสินสมาธิปัญญาเป็นการเร่งรัดพุทธบริษัทให้ปฏิบัติความดีเข้าถึงโมกขธรรมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนาจริยาของหัวปัน คล้ายเคลื่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเมื่อเวลาการผ่านไปถึงปีที่สามขอตัดลัดปีนั้นวันหนึ่งตอนเย็นท่านไปบ้านแม่วงคุณเฉลิมซึ่งเป็นพ่อค้าขายของก่อสร้างประจำที่ตลาดบันแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสีอยยุทยา แล้วไปได้วยกันหลายองค์อาตมาก็ไปด้วยคละวาดก็มีพระก็มีทางขึ้นบ้านเป็นทางลาดเป็นสะพานลาดใหญ่แต่มันมีน้ำขึ้นน้ำลงมันมีถ้าใครน้ำจับอยู่แต่กระแห้งแล้วท่านเดินขึ้นไปพวกเราก็เดินอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไกลนะัก ทั้งนี้พ่อรายพรอห่วงใหญ่ในหลวงพ่อ่านเพราะว่าท่านชรามากแล้วร่างกายท่านก็ทสุดโทมในโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี่เล่งงานท่านตลอดเวลา <c oughs> ท่านต้องฉันยาวันละสีเวลาตลอดรับตั้งแต่ตำมารู้จักท่านมาท่านไม่เคยขายการฉันยาเลย ท่านเป็นหมอรักษาโรคคน อ, อื่นท่านรักษาได้แต่ว่าร่างกายของท่านรักษาให้มันหายคืนเป็นหนุ่มขึ้นมาไม่ได้ดเรื่องนี้ท่านก็พูดเหมือนกันท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นกฎธรรมดานะลูกหลักค่อยคําของท่านเพราะมากเวลาท่านพูดกับเราตามลําพัง มีวยยาจาไพเราะจับใจไม่จะพูดกับใครก็เหมือนกันลีลาคนพ่อปานนี้ติดตั้งแต่เด็กเล็กสามสี่หกขึ้นไปเวลาท่านคุยธรรมะนี่จะว่าแต่ผู้ใหญ่หรอบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ตามไม่ถอยหลังออกมาคุยเป็นที่เพลิดเพลินมีตั้งการขำขันไปในตัวเสร็จประกอบกัธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน ท่านฉลาดในการพูดฉลาดในการสอนมากการที่ท่านปรารถนาพระโพธิญาณเพืพ่อจะได้บรรลุผนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นการสมควร <c oughs> นี่ๆขณะที่ท่านเดินขึ้นไปบนสะพาน <c oughs> ก็มาเอิญอาจจะคล้าน้ำถึงแม้ว่าน้ำมันจะแห้งแต่คล้ายจะแห้งแล้วมันก็ลื่นท่านก็สวนทําท่าจล่ล้มพวกเราสอง <c oughs> สามองค์ก็รีบเข้าประคอง ถ้าไปรับไว้แต่ไข้นะ้ำมันก็ลื่นบรรดาท่านพุทธบริษัทพวกเราก็ส่วนล้มเหมือนกันแล้วว่าค่อยๆล้มล้มอย่างมีระเบียบรือหมายความว่ามันไม่ลื่นเกินไปเพราะทรงกายพยุงตัวไว้ได้ไม่ให้ล้มตึงตังท่านก็นล้มทับพวกเราลงมาคจามจริรารับท่านทำไมแล้วกอดท่านไว้ กายท่านก็ทับลงมามันก็ไม่ได้กระทบพื้นอะไรแต่เป็นกฎของกรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องความตายเราจะเว็นเลือกตายจะเพราะการใดการหนึ่งไม่ได้ถ้าจะตายมันก็ต้องมีเหตุนี่การล้มครั้งนั้นถ้าเราจะพิจารณาแบบคนธรรมดาแล้วมันไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ถ้าว่าท่านบอกกลับบอกว่าท่านเสียวที่หน้าอก ท่านบอกชัดเลยว่าแผลที่ฉันถูกบางฟันมันขาดขึ้นมาซิกแล้วที่เขาบอาได้อาจารย์จากประสานติดเอาไว้ขอให้พวกเราทั้งหมดพากลับวัดด่วนไม่เช่นเหลิมแม่วงจะได้นำารยนต์ของเธอลากเรือของพ่อปานมาส่งที่วัดท่านอกท่านใจ เมื่อมาถึงที่วัดแล้วก็ให้การรักษากันตามสมควรเวลานั้นในแพทย์ปริยายก็หาไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นในแพทย์แผนปัจจุบันชั้นสองก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมีก็แพทย์แผนโบนราณทารษาตัวเองบ้างฉันก็บอกว่าคราวนี้ถ้าอาจารย์จาบยังมีชีวิตอยู่และอยู่ใกล้ก็คงจะบรรเทาเวทนาได้ ท่า น, นี้อาจารย์จาบอยู่ไกลอยู่ที่อำเภอบางบานถ้าเป็นเวลานี้อาเภอบางบานมันก็ไม่ไกลเพราะรถเรือไปได้สะดวก <c oughs> แต่เวลานั้นเราต้องพายเรือกันไปอาการป่วยของท่านเมื่อกลับมาที่วัดก็ปลกย้วว่ามีลูกสิธิ์ทุกหาของท่านมาคอยอยู่นานมากแล้ว เมื่อทราบเข้าข่าวนี้ก็ถึงกรุงเทพเร็วแต่ความเจียงสมัยนั้นมันถึงยากเป็นทีคนในก็แทบก็ขึ้นกระไฟหนักคนมันนอกกับไฟหนักแล้วก็ทราบชัดอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่สามที่ท่านบอกว่าท่านจะมรณภาพและว่าใครและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะเชื่อท่านจะมีที่ไหนบ้างที่จะเชื่อ บอกกันล่วงหน้าตั้งสามปีว่าจะตายคนที่เชื่อก็คงจะมีบ้างแต่ว่าจะต้องเป็นพวกตาสีตาสาถ้าเป็นนักบันเดิมาบรรดานักกวิญยาทั้งหลายไม่มีใครเขาเชื่อเมื่อทุกท่านก็ให้การรักษาไปอย่างดีหมออะไรดีที่ไหนเงินมากเท่าไรราคาเท่าไรลูกศิษย์ท่านไม่อั้น ขออย่างเดียวดต่เพียงว่าให้อาจายของเขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าเรื่มสายหน้าเคารพหน้าไหวหน้าบูชาที่บนไดคณะลูกศิษย์ลูกหาของดั้นเป็นพ่อค้าก็หาบุญดีข้ า, ข า, า, ขาราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้าไปนในวัดนั้นไม่เคยมีใครแสดงตนว่ามียศชั้นไหนฐานะชั้นไหนทำตัวสม่ำเสมอกัน ท่านนั้นหลายเหล่านี้เป็นคนที่มีจริยาใส่น่ารักมากไม่ต่าง ก, กันกับครูบาอาจารย์เนียจะมาขอเปรียบเทียบว่าทุกคนท่านลอกแบบจากลุงพ่อปางกันจริงๆบรรดาท่านผู้ติบริษัทชายหญิงเป็นคนที่น่ายครบนับถือที่สุดอาตมาเองระหว่างนั้นเป็นพระก็อยากจะไหวท่านพวกนั้น ความจริงอยากจะไหว้ท่านมาป่วยได้สองสามวันเขาก็ดําเนึกถึงว่าจะต้องขอให้หลวงพ่อปานไปรักษาตัวที่กรุงเทพเพราะหมอหาง่ายยาหาสะดวกเมืันนอกเวลานั้นถ้าจะต้องการยาแพทย์แผนปัจจุบันก็โน่นวิ่งไปกรุงเทพและเรือยนต์เวลานั้นก็วิ่งล่องแปดชั่วโมงขึ้นแปดชั่วโมงใช้เวลามากเหลือเกิน หลวงพ่อปานท่านก็ไม่ขัดท่านก็รับปากเมื่อท่านรับปากแล้วก็ปรากฏว่าเวลากลางคืนในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นพระจำบานเขาบัญญัติ่าอยู่ดูแลหลวงพ่อในเวลาหัวค่ำหัวค่ํ า, าพวกเราก็อยู่กันพอตอนดึกเข้าไปนนอนกันหมดเช่นกับเวลาที่อาตมากําลังบรรทุกเสียงอยู่นี่ พวกเราเป็นพระก็อยู่ยามกันอยู่กกยใกล้ๆาจารย์คอยฟังคำรับใช้แต่านทว่าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายการป่วยของท่านคนนี้มองดูแล้วหนักมากเพียงแค่ป่วยวันทุ่งวันท่านเสียดเสียวลงไปมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตเป็นของอศัศจรรย์นั่นก็คือสติสัมปชัญญะ ปติสัมปมัญญาท่านเลยขาดท่านปกติทุกอย่างเวลาจะสั่งงานอะไรก็ตามเพียบพร้อมครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ออแอไม่อบอิ่ไม่ขาดสายงานทุกอย่างเป็นไปได้ดีนรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการนี้หลวงพ่อปายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาครบถ้นบริบูรณ์ท่านจึงเป็นนักบวชที่คุณในการเลื่อมใสควรในการไหวการบูชาเด็ดกันแม้กระทั่งสติปัญญาของท่านในการก่อสร้างท่านไม่เคยใช้ช่างมาออกแบบแบบของท่านเขียนไว้ในสมอง จะแบบไหนท่านนอนคิดจะสร้างสลาสักหลังหนึ่งอาตมาเคยจดตามท่านสั่งท่านนอนหลับตาไปประเดี๋ยวก็เลืมตาลุกเป็นมาก็สั่งคือยาวเท่านั้นดั้งยาวเท่านี้ไม่เจนทันยาวเท่านั้นไม่อะไรตรท่านสั่งเสร็จสมัยนั่นเต่าเขาไม่ได้ใช้น็อ เต้าต้นเจาะรูสร้างเจาะรูเรต้าทางจากหัวเสาไปเท่านั้นเต้ายาวแท่นั้นนายท่านบอกเสร็จแต่ว่าทรงสวยไม่ต้องเขียนนี่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมมีช่างคนหนึ่งมหาตมาความจริงหลายคนถ้าถามว่าการสร้างวัดสร้างวานในเขียนแบบเพื่อเปล่าแม่แต่พระอุโบสถ อาตมาก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่มีแบบเรื่องการเขียนแบบไม่มีเพราะโบราณไม่เคยเขียนแบบอาตมาเป็นคนโบราณถ้าร่างกายจะไม่โบราณเต็มที่แต่ก็หัวก็โบราณเต็มทีไม่ใช่โบราณเฉยๆโบราณไม่โทโบราณหัวล้านอย่าพูดไป เดี๋ยวใครเขาจะได้ยินเข้าวก็ยากคิดว่าอ้ตรงอาแต่มานี่หัวล้านเนี่จะไปพูดไปอายชาวบ้านเขาอายหัวล้านนี่คุณหัวล้านหรือหัวโบรานก็ไม่ต้องเขียนท่านาั้หลายแล้วนั่นก็ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไม้ชิ้นไหนจะยาวขนาดไหนไม้กี่ชิ้นกี่ท่อนแม่พอฟังแล้วก็ตกใจบรรดาท่านาาพุทธบริษัททั้งหลาย คิดไม่ถึงว่าสถาบันิสมัยนี้จะโง่ขนาดนี้การเรงกันมาเป็นร้านปีใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าว่าเวลาจะสร้างตอนชาบ้างก็มาเขียนแบบให้เขาบอกตัวไม้ให้ถ้าเป็นช่างสมัยนี้ต้องทําแบบนี้เสมอไปแล้วก็อาชมาขอบอกว่าโง่กว่าช่างโบราณมาก เชียงโบราณนี่เขาไม่ต้องมีใครเขียนแบบให้จเจ้าขนาดไหนจเจ้าทรงแบบไหนไม้ยาวเท่าไร่เขากะเขาถูกหมดแล้วไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปสวนไม่ต้องลากเส้นดูจเจ้าทรงอะไรขนาดไหนจะพุ่มหรือว่าจะตั้งจะชูมากจะชูน้อยจะเป็นทรงยักษ์ทรงพระเจ้าขนาดอะไรก็ตาม เรื่องการเขียนแบบไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัท <C oughs> แบบเขาเขาอยู่ในสมองพอ <C oughs> รู้ความกว้างเขาก็าต้องการอยากจะทราบทรงสงูงเรียกว่าทรงพระหรือทรงยักษ์เมื่อรู้ทรงแล้วเขาจะรู้ไม้ทุกตัวว่าไม้แต่ละตัวคนยาเล็กคณใหญ่ขนาดไหนยหญยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ นี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายถ้าเราจะเทียบกันไปแล้วก็อาตมาตกใจช่างปัจจุบันว่าทำไมบรรดาช่างท่านหลายที่เรียนกันมาแล้วมากมายยังต้องอาศัยแบบกันแต่พุทธฟือซึ่งมันไม่มีความสำคัญอะไรการกระทำแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> แม้แต่ช่างชาว บ, บ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่รู้จักแบบไม่รู้จักแขงเขาก็ท่งทางกันได้ทุกคนอรรรนดาท่านพุทธศาสนิกชนจะพูดเรื่องของพวกปานตอนสำคัญก็ปรากฏเวลาสามสิบนาีผ่านไปและเวลานี้เวลาก็ดึสกสกัดมากแล้วเอาไว้ต่อกันตอนใหม่ก็แล้วกัน ถ้ามันมีแรงพูดกันใหม่เวลาพูดนี่มันไม่แน่นักขณะนี้ที่เวลาพูดเป็นวันที่สามสิงหาคมพศสองพันห้ารอสิบแปดแล้วก็ตอนต่อไปนี่จะไปต่อวันไหนก็ฟังกันไปจะบอกให้ฟังเวลานี้ก็ขอพักคอนิดหน่อยพระวรนดาแทนพุทธบริษัทตันหลายฟังเพลงเป็นเพลงมอญแต่ว่าจะตัดตอนว่าเฉพาะไม่ยาวนัก เพื่อให้บรรดาเป็นพุทธบริษัทจะได้ไม่ลำคายเกินไปเวลานี้ของมดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพลงกั้นคอแห้งคือว่าเป็นการสกัดกัน้นเชียงหลักกับคอที่พูดนี้มันต้องแกล้มแอมไอเพราะว่าสองสามวันนี้ลุกไม่ไหวมันเตียเต็มทีอแล้วต่อจากนี้ไปก็ฟังเพลงไปก็แล้วกันเพราะไม่เพราะก็ช่างมันเป็นการพักคอชั่วคราว Star